ปริทพาณูปทายะตตะ a ตะสังวัตรุตระ a ัญจเตสาทิการิสวีสังวั a ระตาตาณิอาทิกันตาณิปจุปนัยตาระเบส a ะัญญาเนรมัสสะในภูริมังสินังวาระเบสนะวะละบริบาโรโหติเกวังตัสสะสัตวตู ปรินานนาสาวเสนนาอยู่การละ็นนายสำหรัจสีทับทายสีสุภาณมสนุกราพุทธ้าเสนนาอยู่การจำเดิมแต่วันปรินิานแห่งองสมเด็จพระพุทธมานรหันต์ดยสมมาสัมพุทธเจ้านั้นบัดนี้หล่นแล้รยัต้องพันหารอยี่สิเจ็ดต้น วันิัตยบันในสมัยกัญญาโยนมาตุสิงหที่เก้าวันอทิตย์วันนี้เป็นปฏิบัติบันวันเจ้พุทธศาสนาอยู่การจำเดิมแต่วันป็่าโอโซมิสภูมิสักาเจ้านั้นมีนัยยะอันพุทธบริษัท์เจพินกำหนดนับได้ด้วยเปิดการรัตนี นภูตะสาปสุวัตุอรหัตุสัมมาสัมปุท a ะนภูตะสาปสุวัตุอรหัตุสัมมาสัมปุทตะนภูตะสาปสุวัตุอรหัตุสัมมาสัมปุทตะปัญญาณิปรโลกะนิปิทาปิปานินันตี ณโอกาสบัดน <c oughs> hey, okay, ah ี้อาจะมาปาฏิสันด e ์แดงจากธรรมะเจตนาระในปุญญาภิกษทาเพื่อเปนครื่ส่งส่งโอเคสุชาบารมีที่เป็นดาจชนิดสราฐานะบดีตังหลายที่ต้อนใจกันมาจนเป็นคลผลประจำปักเอไว้ขึ้นยี่หคาข้ามเดืนสิบวันนี้ การที <c oughs> ่บรรดาทจ่าพุทธบริษัทหลายตายกันมาบำเพ็ญกุศลบุญญาสีทางนี้เราว่ามีความเรื่องใสในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นได้พากันมาปฏิบัติความดีคามคำแนะนำขององค์สมเด็จพระบรมาโลกผิตเป ทสององค์สมเด็จสัมมาสุเจ้าผู้มากมายถึงแปมื่นีคํามระเสขันรวมย่อยท่านจะมีสามประการหนึ่งทาน้ำหมบุญสเด็จการบริจาคทานสองถึน้ำใม่บุสมเดการรักษาศีลสมภาวนาใหม่บุญสมการเจริญภาวนา การบริจาคทานในสมเด็จอรรสัมมาภูมิเจ้าส่วนจักรพรรทานนางจะกัสโซทานนางองค์แปเป็นบจจัยว่าการให้ทานเป็นบรรดาเวูุสวรรค์สำหรับการเล่าสัินนั้นบรรดาจะพุทธวิสกทธสัพรทเจ้าโทแดงอริสสารในการว่าสีเลยนสุภาพิยญาติผู้ปฏิบัติศีลแล้วชานี้มีความสุขตายในชาหน้าก็มีความสุข สีเลนะกงกระสมสาตาคนที่มีศีลจริงๆภาพนี้สัพสมบัติในเพียงมีความมั่งของสมบูรณ์ภาพหน้าไปก็มีศักดิ์มากสีเลนะพุทธิยันติคนที่มีศีลในภานพอุปัตติก็มีโรคโศกตายแล้วเป็นปัจจัยเข้าสู่ผลิภานิยมวันศินสำหับภาวนาใหม อาวนาใหม่ในองสัติประจอมไตรบริวาสันดาทรงแนะนำว่าเป็นการเป็นตัวปัญญาองจัดโลหะวามโลทวามดีดีจิตใจก้ทรงเข้าสู่ผนผานในความความดีเล่งสามการวันนี้กันดาท่านกงจะบริสัทธ์ทำแล้วก็จะไม่ขอพูดให้ยาวความวันนี้จะขอเทเรียนแป จากว่าเป็นบุญใหญ่ที่อทัเด็กพยาใจบริบาลศาสาต้องการที่ว่าภาวนาใหม่บริบาลิตการจะเรียภาวนาก็ได้แก่การจรียสมถะภาวนาวิัสนาภาวนาอย่างที่บรรดาจ้าพุทธมัยจะงายปฏิบัติในเวลานี้การจเริยนภาวนานี้มีหมดจริงๆทีหมดหมดอีหนึ่งเรียกว่าสุขาิปัโก หมดนี้ที่ทำกันทั่วไปไม่เห็นผีไม่เห็นวนาไม่เห็นนรกสวรรค์แต่จะมีทางส ม, มาบัติได้เป็นข้ารยราจได้เข้ามิศาลได้หมดที่สองที่วันนี้โขนข้าราสามหมวดที่สองนี้ก่อนที่เป็นข้าริยจ้าจะต้องได้หนึ่งพุทธิยญาองปุถุย ว, วาสามสีาณ กุเพนิวาสารุญยังก็ได้แก่การนั้นถ้าท่านทงสองอาศัยกันจะทุ่มเทหมดที่สามีว่าศิลาพิโยหมดนี้ไปเที่ยวนรกไปเที่ยวสวรรค์ได้ตามตอบใจเลยที่เป็นปัจจุบันปัจจุบันเลยแล้วหมดที่สี่นี้ว่าไปชมนิษฐานหมดนี้มีความสาคัญมาก มีความสามารถดึงเอาความสามารถเขาสุขเวสโกติมิโตสราบิโยเข้าไว้ในตัวทั้งหมดแล้วก็มีความฉลาดมากที่ ise, สำหระผู้มีพระภาเจ้าสอนไว่สีแบบสี่ฉบับแต่ว่าวิธีปฏิบัติก็เป็นพันพันอย่างเลยวิธีการปฏิบัติเป็นพันพันวิธีหลายอย่างหลายอย่างเดียวต้องอย่างเดวอย่างเ้าใจกัน แต่ว <formation> ่าคิดจัดเป็นหมดเป็นทีมหมดให้เป็นไปตามอัธยญาสายตั้แต่ระบบคนบุคคลใดไม่ชอบจุจจิตได้หรือก็ปฏิบัติตามหมดสุขามิปฏิโกรบุคบุคคนใดอยากรู้อยากเห็นสิ่งใดบกเขางลี้ลับอยากจะรู้อยากจะเห็นแค่ปฏิบัติหมดที่สองคือสิ่งทุกคนคนใดอยากมีรอษยางูเบิดก็ปฏิบัติละีสิ่ง อันใดอยากมีความสามารถครอบทุกอย่างให้ปฏิญญบัญญติในสัมมาปฏิปุสนี่เป็นพระงตัวอย่างของท่าปฏิญาสายก็แต่ระบคนไม่เหมือนกันคนที่จึงจึมสมองไว้ปรากเปืงก็ต้องปฏิบัติในสุขขันธ์วัฏกคนที่ชอบรู้ชอบเห็นอยากจะรู้อยากเห็นอะไรสงสัยไม่ได้ต้งรู้ต้องเห็นได้ทหมดปฏิบัติที่สาม เรื่องความว่าวิชาสางกอดีกิญญาุกติดังสอนระดับนี้ต่างคนต่างมีสมมาสัมญญาแปดเหมือนกันว่าเซวโตคืชาสกดีสลรบัญโยกิญญาปกก็มีสิุญญาเหมือนกันระดับญนีแปลว่ารู้ญาณนี้ปล่เด็แกลว่าดี เป็นความมีความรู้จริงๆแปดอย่างรู้นอกเหนือจากคนธรรมดาจะต้องรู้เรียกว่าปัญญาอาภิกนะครับรว่าที่มันเลใหญ่และทับยาไปว่ารู้เปยรู้ยิ่งกว่าคนธรรมดาที่จะต้อรู้ตอนปัญญากจะแยกเป็นหลายส่วนไม่จําเป็นต้องอธิบายวันนี้จะว่าทุกญาณแปยาน8ปดยานที่หนึ่งก็คือสิทธุญญาณยานที่สองก็จุดตัวป่าปัญญา ยาที่สก็เจตุรียานยาที่สีก็ปุตตวาสานุยานญาที่ห้าทีตางสยานยาที่หกันตตางยานยาที่เจ็ปัจจุบันานต์ียานยาที่แปดจะขาดสงศายานที่นำยาแปดประเภทวันนี้เพราะคนส่วนใหญ่ที่วันนั่งที่นี้เป็นผู้ได้ยานแปดได้เนโนิิ ยานแปดรายการนี้จำเป็นต้องทำให้ครอผูอ้ปฏิบัติได้แล้วสักจะว่าได้ไม่สุดผลให้ต้องข้าวก็มีปัจจัยลงนรกเมือนกันต่อไปถ้ารมเผื่อก็เกิดมีความวันไหวนะรุในศาสนาไอตัวเองไม่จริงกนเลยอาวุทธศาสนาไว้จริงรายเป็ากกามากรนละาัวไปไปในลงนรเไปเลย <c oughs> และในการในสองไม่มีการเข้าแค่วในยานแปดก็จะเกิดความประมาทเชือว่าตัวดีที่กิด แ, แล้วไม่ดูใจตัวเองว่ามีทีเด็ดมาต้องมีทีเด็ดน้อยหมดเด็ดตัวอย่างไม่มีการาอัฒนงตัวเกิดขึ้นจะเสียว่าตัวดี ท, ด ท, ที่สุดแค่ทำตามดีต่อไปดูตัวอย่างอระเจ้าทัตในดีสุดก็ตะลงเอาเวทีมาอ่านรสมุ จะลงความว่าการได้แล้วต้องได้ให้มันจีไม่ใช่จะสักจะเที่ยงว่าได้เราจะเทียงว่าได้นี่ผลอันตรายมันมาก <c oughs> ความดีมีมากแต่ความอันตรายก็มากเกินไปเหมื่อกา ร, รปฏิบัติที่กรรมฐานต้ตัดโลภขาดความโลภต้องพยายามตัดโสด ค, ความโรกรธตัดโมหะความหลง มันตัดวันเดียวไม่เสร็จแต่ว่าเราก็พยายามค่อยๆตัดใช้ยาต่างๆเข้าเปช่วยช่วยจะตัดไป้เรยวมากตอนนี้จะพูดสำหรับที่เป็นูุ้ยานอย่าลืมว่าคําว่ายานี่คืออารมณ์รู้ของจิตไม่ใช่ตาจิตถ้าตาจิตเขาเรียกจิตวันเน่จิตวันเนติคนมีไม่ได้จะมีแต่เจวดาและสมเด็จป้าที่มันตายไปแล้ว คนลราจะมีได้แค่จิตปัญญาคือมีความความรู้สึกของจิตความรู้สึกของจิตที่รู้สึกตั้ทุกอย่างไม่ใช่นึกเดาตามนิสัยเคยพูดการคาดคะเนนี้ใช่ไม่ได้ความรู้สึกของจิตมันจะบอกอยู่บขอรีรับจิตฟังดูเวลานี้มีอะไรบ้างมีรูประไรตอนท้านเป็นยังไง นี่สรสันนะนัไปยังไงมันจะบอกจบอันนี้เป็นสิ่งูใหญ่ไอ้ดาวในประเทศที่ว่าของเหล่านั้ น, ล น, น, ล น, น, นเลานี้มันจะมีหลายชนิดเลยมนดาวเ็นส <c oughs> ิ่งผู้คิดผูเรื่องต้นมีความรู้สึกแมเห็นภาพมีสิจอยากมากเกินไปใชไม่ได้ิดผู้ให่ขณะกลังมีความรู้สึกเห็นภาพไว้ชัดมีจิจะเร็วมากเสิไเนสไปใชได้ ทีกุญยาที่มีสภาพปลอดสายที่่สดมีมาฤทธิ์ของฤทธิ์เห็นภาพจังใจอันนี้ใได้ต้องทำถึงอย่างนี้การจะทำไม่ได้อย่างนี้มันไม่ใช่ของยากตามธรรมดาเราก็มีที่เลยที่เลยกับเราแล้วกยาแบ่งเวลากันไม่ใช่ทำไมครองใจในทุกเวลาเวลาที่เราต้องการจะเกิดความรู้และความเป็นทิของทิ่เวลานั้น ให้ดีเด่มันพักสุขสบายคือว่าจิตเข้าไปยู่กับมันเลยมีความรู้สึกตามความจริงเห็นชัดว่ชีวที่มันต้องตายร่างกายเต็มไปด้ความสัะสบโต้คลุกมีความแก่เป็นตัวนำตัวป่วยติตตามมาจิตหลังการพัฒนาขอรักขอสนใจติตตามมาได้ความตายจิตตามมาที่สุดร่าความว่าร่างกายเนี่ยไม่ดีเลยเราไา ม, ม่ต้องการ พ า, างกายนี้มันพังอะไรต า, า, ามปฏิวัาิเราคงก็ไม่ต้องการเราต้องการจุดเดียวปฏิวัติหลังจากนั้นจิตจะวางไว้ติผ่านตอนนี้จิตจะวางจากที่เด็ดตอนนี้ถ้าต้องกา ร, จ, รจะรู้ใจอย่อะไรขอบารบมีพระพุทธเจ้คนจะรู้ทัดเย็นครับตลอดกระบวนการเขาทำอย่างนี้นะแล้วทุกวันทุกเช้า ม, มืดต้องทําอย่างนี้ทุกเวลาที่เราฟุ้งซ่านกต้องทำ ใครเขาคุยเรื่องอะไรเอาจิตเข้าไปรับทราบสั้นทีถ้าคุยเขารวยเอาจิตเข้าไปดูบ้านมันเลยมันรวยหรือไม่รวยร เ, ยวยเวยวขาคุยเ้าหลอกว่าเขาจนเข้าไปดูฐานะของเขาเของไม่ได้เก็บไว้ที่ไหนเรารูา้ได้หมดต้องใช้จิตอย่างนี้ให้เป็นอารมณ์ให้มีการตั้งตัวอย่างนี้เป็นที่ยยิศโยกุยญาณอย่างต้องการจะรู้จัาจากเทวดาพุษทธสม รกแบ่จักรายานระพัดรู้ได้ทันทีแต่ว่าถ้าใหม่ๆหรือเก่าก็ดีก่อนจะรู้พบโงคสมเด็จพ ร, ระสัมมาสพุทธเจ้าก่อนเอางม่แค่ตอนช้าเมื่อตื่นจมาปิดปานิพาไปเลยก็ อ, อยู่ตอนหน้าองค์สมเด็จพ ร, ระสัมมาสมพุทธเจ้าแล้ขอปลอดภัย ว่าเวลาต้องการจะรู้อะไรใครรู้แต่ามการเป็นจริงทุกอย่เป็นแค่คนเป็นขงอเป็นเสียงคมเปันสวนทนี้แล้วต่อมาตอนกลางวันใครก็พูด่องอะไรตามเสียงไปเลยพูดเรื่องว่าสิ่ตามไปเรื่องไปกตามไปเรื่องการ่ายชนเสใจเรองไรต่างๆก็ตัดตให้ไม่รู้จริงตางก็พูดใครก็โกกเราจะได้ทราบว่าของโกหก ใครก็พูดจริงแล้วก็ฝากพูดจริงถ้าใครไม่โตเขาก็ไม่ต้องคานปล่อยตกวตลอดไปแล้วก็จำไห้คนบา้าคนประเภทนี้พูดได้เกี่อะไรไม่ได้แต่จะทาหน้าเป็นเคร่งเจ้าไปไม่เสมออันนี้เป็นประโยชน์กันุญญาติญาติพระชาวแท้ใน เ, เวลานี้บางพวกเพราะว่าเทวันไม่มีนรกไม่มีตายและมีสัตว์ภาพศูนย์อันนี้เป็นเรื่องของเ ข, ง ข, ง ข, งขงาศาสนาอื่น เขาเป็นพรในศาสนาอื่นไม่ใช่ศาสนาพุทธทำาห้ศาสนาที่ประคําสอนอันี้นพระสอนพระเจ้าเป็นศานาพุทธต้องมีสวรรค์ต้องมีโลกตายและมีสภาวะเกิดตายและต้องมีทานสวรรค์ดังนั้นเขาบอกไม่มีในประเด็นเขาไม่ือว่าพุทธเจ้าเป็เจ้าสอนแบบนี้สภาวตศาสนาโดยธรรมตอนเขาไม่ยอมรับฟังเขาแสดงว่าเขาเป็นคนนอก่อพระพุทธศาสนาไม่เขา แม้บว่าสวรรค์ไม่มีนรกไม่มีแล้วก่จิตจับภาพแบบว่าสวรรค์มีไหมนรกมีไหมจะควรจะรู้ก่อนะแล้วก็มีเรื่องความรูจิตกิยานช่วยทุกอย่างต่างตามต้องการต่อมาจุดรู้แบบปาริยาเอิตวิญญาณในช่วงลอยสลายประเด็นพยอนอีกนะมันเป็นความรู้ที่เรารู้ดีมากปกติสิ่งอะไนี้รับสิ่งที่ยังมาไม่ถึงจิญาณรู้ได้ สิ่งที่ไม่มีตัวไม่มีตนจิตวิญาณเราไสุดันสุาสิยที่แสดงว่าเรามีความรู้ดีกว่าเดมีความรู้ดีก่เิมถ้ายน ต, ต่อไปสูดู ป, ปุบันวิญญาณปัจจุบนี้แต่ยังก็จิตวิญอีนั่ไปใช้หเโยชน์อย่างอื่นย่ที่คนก็ดีส ก, ก็ดียาจ้ทราบว่ า, า, าวคนพวกนี้กับพวกนี้ก่อนเกิดมาจากไห ราชาตายทันทีว่ก็มาจากนรกแพอสุดกาวทั้ามาเจคนมาจากสววันทุกเ์แล้าตายยิ่งที่คนตายพักอยากจะรู้ไปอยู่ไหนให้รู้ได้ทันทีว่าคนตายนีปอย่ที่ไหนอย่างนี้ชาวพาจินก็เป็นสีุ่ญาจะเรีกตูระปาริยาตามงานเยนือไทยเรื่องความนามบุญครที่ปุญญาไม่ยังไป่ยังยืมไปได้ งานที่สามที่พระเจ้าให้ไปก็คือเจดโบริยานสาหรับยานี้สองนี้เป็นจะมีการไม่เป็นมาแต่ที่นึกว่อคนเราก่อนจะเกิดกันมาจากไหนมาจากดีหรือตัวตายแล้วไปไหนจะได้ม่เป็นมาแต่ที่ที่ว่าตายแล้วเรากะไม่ยอมไปที่กำบังเราทำแบบไหนกับบางทีมาเจดโบริยานยานนี้มีต่างสำคัญมาก แต่พระเจ้าเขารู้วาระน้ำพิษของคนดีคนอื่นก็มายจะนอดจากตัวเราในทองคิดดีเราคิดเลวเวลานี้คาว่าพูดเราผูดในความจริงใจเรือหลอกลวงเวลานี้คนนี้มีมิเลศมากมีมิเลศน้อยมมิเจอะไรหนักมีมนเลศอะไรเบามีมิเลศอะไรที่ตัวนาท่าบอกว่าเัวได้ชาสมาบัตมันได้จริงไหม ก็เป็น้าอย่าเจ้ามันได้จริงมามเอ็นี้ไม่มีทางนี้เลยไม่ต้องเห็นหน้ากันเพียงแค่ได้ยินชื่อเท่านั้นจะรู้ได้ทันทีให้ใช้เสางสามเราจะเรียกคนที่เราบพบหาสมาคมสำหรับผู้รับการปฏิบัติผลเราจําเป็นต้องเรีอนผู้รับบุญจากเราก็าจะทำบุญทำทานมาเก็บเงินเสียทอของใจหามริยาก เมื่อทําแล้วต้องมีกำไรถ้าทําแล้วเสมอตัวไม่ควรทำถ้าทําแล้วขาดผลก็จะไม่ควรทำใหญอยากจะรู้ทำยังไงใช้เจตวิญญาณดูใจของเขาว่าใจของเขามันมีสิเลสมากหรือมีสิเลสน้อยถ้าละาําสรรักสิ่งมาให้แกจะไปทํำอะไรอันนี้ก็จะบอกเลยแต่ข้าเป็นเจาน้าขอ ถ้าดูกําลังใจของคนก็ดูแบบนี้ถ้าคนที่เ <c oughs> ป็นผู้สูงศักดิ์หนานั่นคือไปเลยจิตเป็นสีเนื้อธรรมดาจิตเหมอนกับเนื้อหัวเนื้อควายที่เขาส้าทำวิจิตรเมือาที่เขาวางไว้ขายถ้าเวลานั้นจิตเป็นทุกข์มากสีผ MM. ู้จิตจะดำดำมากสีจิตเป็นทุกข์น้อยมีความลำบากใจน้อยสีก็จะดําใจ ถ้าจิต ด, ดีใจมากสีจะแดงจักจิต ด, ดีใจน้อยีจะดจาลงมาถ้าจิตมีความสุขปราจากกิเลสโมิจิตมีความใสสะอถ้ า, าน้น้อยมีสมาธิน้อยเ้ามากมสมาธิมากสป็นเจ้เป็ น, ปนททีถ้าเป็นพระอริยเจา้า เอาสำหรับพุทธเจริญสมาักพุทโไปที่พัฒนาญาณท่านคนนี้มีทั้สมาธิมีทั้งพัฒนาโปกูกระต่าถ้ามีว <c oughs> right ิ่พัฒนาญาณเล็กน้อยจิตจะมีวงรอดเป็นแบกายบางบางถ้าเป็นใบโสดาบันจะเป็นใบกายลึกขับนไปประมาณห้าส้าเปอรเตอตัวถ้าเป็นพระสีธาคามีเยบแางเปล่าลงไปถึ้าสิบเปอร์เซ็ ถ้าเป็นพระนาคามียาแปรพาสำดงแต่มีแกนสีแดงเล็กน้อยถ้าเป็นพระหัานจิตยาแปรามียเป็นไฟหมหมดทุ่วมดกรดาดสึ่งถ้าเราต้องการรู้ใจของคนวันคนนี้เป็นคนดีหรือคนเลวก็ดูใจไม่ต้องดูจิตญาถ้าใจดีจิตญาทั้งกก็ดีฝ่าใจก็ดีกามทำก็ดี ถ้าใจเลวจะแผงยิตยาแบบนี้ตามมาสลายตลรดเวลานี่เป็นเครื่องวัดกิจของเราด้วยกิจผู้ดาวจาเป็นจะต้องดูทุกวันเวลาเช้าเมื่อไปจะดูแา่คนอื่นตอนกิจผูเราถ้าเคร่งละมีกิจตรงนี้ช้าเมื่อตื่นมาแล้วทำใจสบายไม่ถึโอสมเด็จตัณฑ์มาตระลยาไอจิตไปวางทิพย์ แล้วก็ย้อนหลังมาดูจิตเดิม่าจิตเดิมของเราจริงๆเรายกจิตวิญานออกเสียไม่วัดกันเวลานั้นถ้าไปนี่วิญญานจิตจะไปกายเท่าพระอรหันต์ถ้ากายเข้าเสตยิญญานได้จิตใกล้สะาดทาพระอรหันต์มันเข้าไม่ได้ไาใช้อติสัญญานย้อนออกมาตามธรรมดาบุขพระิดตั้ง้ถ้ามันเป็นสีธรรมดาก็ตระหนว่ามันเรวมาก ใช้ไวเร็วมากยังไม่ดีไปใช้ตามมันเร็วหมามันเร็วเกิความหมายเพราะอะไรว่ากายเกิดมาเป็นคนตองย้อนไปบาอางคุณใช้ไม่ได้จิตแบบสบายุนแน่แต า, าเอิงจิตมีสภาพใสเป็แก้วไปแค่หนึ่งเออใสไปเป็นสส้าิบเปอ็ น, นอตก็ตามหรือว่าเปแก้วสองดวงก็รงอยาดใจ ขนาดใดถ้ายังเป็นโลภีวิสัยอยู่เราก็ยังไม่สุนทรภัยสุขไอ้จิตของเราเข้าเป็นแรกายพุทธเป็นแก้วไสตัวกายพุทธไปประมาณที่50เปอร์เซ็นคนพอใจอันนี้เป็นจิตของประตูดาบันไม่ใช่ดูจิตเราที่จะผ่านองย้อนหลังมาดูจิตเดิมหรือก่อนที่จะผ่านสภทราบจิตเป็นงย้อนหลังกันได้แต่ถ้าทุกท้ามือตขึ้นมาแล้วสมมุกหมดก็จะเป็นโภชุณน ต e ื่นขมา้าแล้วทำใจสบายพัฒนาตามแบบบับนีปฏิบัติคอยาัญญาำระจิตของตนถ้าจิตมีสีอย่างไรหนึ่งและตนนิวรณ์เร็วสุดเราจะไม่ต้องการขับให้มส้ถึงแก้วให้ได้ยาวเร็วถ้าเป็นแจ้วเบลตายบุถต้องขับเป็นแก้วสาได้มันจะเป็นเป็นปัญญำกำลังใจตัวเราถ้าเป็นแจ้าเบลตายทรงตัวแล้วเป็นแก้วสายทรงตัวจะหยุดที่นานๆตอบตัว แล้วก็จิตจะมีการส่งตอยแห้เาอธิฐานว่าวันนี้ผัดตามเวลาไหนระตามขอไปในายันี้เวลานั้นจิตใส่เราทนสจตลังสูแต่หาว่าบุคคลใดมีจิตแปกายแล้วขเป็นกายนี่อนเช้าเมื่อใดขับได้ดีเด็นที้หนเวลานั้นจะเลาสำคัญนีว่าทิเจดียิยาณต่อไปเป็นปุถุวะวานิยาน การอนุชาติภาพนี like field, ่เป right? ็นปัจจัยตับภานะเป็นมีการถือตัวที่ตนติดตัดการยึดถือร่างกายว่าเป็นเราเป็นพวกเราตัวนี้จะสวยตนกระานได้ง่ายอเเจดูวิญาณเป็นการยันบัติให้เกิดจะอาเซวีทุกตัวปกเปรนว่าสัญญานอาจจะเป็นอหารได้ในเวลานั้นก็อะไรเพราะว่า้อยหลังชาติลงไปเวลาเคยเคยเกิดจะอะไรมาบ้าง มันต้องคล่องเริงเปิดทุกวันมันก็ยัคล่องเห็นผู้ฝ่ายที่ก็เคยเกิดเป็นฝายไหมถ้าเคยเกิดก็ดูภาพท่าแต่ตัวไม่ไดเกิดตัวเห็นผู้สุนักเคยเกิดเป็นสนัขบางไมก็เคยเกิดเป็นผู้มันนึกภาพให้จับได้ทันทีให้ตั้งอารต่ามุเปนนๆ้หลังเราไปเห็นว่าเราเคยเกิดเป็นสัตว์เกิดทุกประเทศ เคยเกิดเป็นสัตว์รกเป็นเปรตแลกายเป็นสตีสัยขอย้อนดูปฏิบัติเลยว่าเราเลวขนาดไหนสบายอย่างโง่ขนาดนี้ภาพเก่าที่เราสร้างความเลวมันจะเกิดเราจะได้พอแอ้ในการทําความเลวต่อไปต่อไปเคยเกิดเป็นมนุษย์อีกชาติชาติไหนมีความสุขมีความทุกข์มีรูปร่างหน้าตาพ่อแม่ผัวเมียรูกต่างเป็นยังไงเขื่อไรรู้มันให้หมด เราก็ยังท้าบราการเกิดสิชาคมีฐานะไม่เสมอกันจนตั้งรวยบางแต่ทุกชาติแตจนหรือรวยก็ตายก็เกิดแก่เก็ดตายเหมือนกันมีแต่ความทุกข์ไม่สิ้นก็เป็นปัจจัยให้เราเมื่อเกิดการเกิดต่อไปต่อไปก็ไปดูการเกิดเป็นโวดาหลวงพ่มีไหมแต่หลาคนทำปฏิบัติได้อย่างนี้มันเกิดเป็นโดาหลวงพ่มาเป็นแสนแสนสัตว์สิบสัตว์องสัตว เอ็กซเบรเซอรวลาชาติหของเขาชาติปฏิบัติจิตตธรรมุนิเมได้อะไรไม่ได้ของรต่บารมีขณะนี่ทําเวลานี้ถ้าคนใดไปถึงนิพพานได้บุคคลนั้นเป็นปรมัตถบรัมทีบุกคนนี้ประเภทนี้จะต้องปฏิบัติโวเป็นอาโศกสายสัตวได้ความดีประเภทนี้แน่นับเป็นแสงแสนพานหนึ่งพัเดียว เราก็สา ม, มารถจะทบทวนได้ว่าอความดีที่เราได้เคยได้มันจะดีแค่ไหนพลาดมันจะรู้ของลงพักหนึ่งแสดงความว่าปุถุนีวาสัญญาณเป็นปจัจจัยเกิดความเบื่อหน่ายในการเกิดแล้วเป็นปัจจัยให้เบื่อหน่ายในการถาือตัวเสื่อมตนเห็คนร้อยคนเปรียดนั่ตัวเราเคยเป็นอย่างนี้หรือไม่เห็นคนยากจนเห็นใจเราดูตัวเราเคยเป็นหรือไม่ เห็นต e, ัดเสงสาเคยเด็นตักเกษตหนังไหมไหมเ็นใคยเจเหตุผนับเสียเรื่อกับที่าูห่าเราเคยเจอปัญหาที่เรียนมามันก็เคยเป็นมาทุกคนแล้วเราจะถือตัวนี้ต่อเราดีกับเขาได้ยังไงในเมื่อเราเคยเป็นมากรู้นี่มันลูกมันหลานเราถ้าหมดการถือตัวถือผลเปืือยในตางเกิดมันก็เปิดมาหลังกับเราเลยเราหมดนี้เป็นปัจจัยเบื้องฐานได้ง่ายท อนเจตุรยานดูจิตคนไม่เสมอสองปุปริวาสานิยานดูใจแต่ไขมหน้าเท่าอย่างนี้ถ้าดได้อย่างนี้แล้วถ้จะปฏิบัติคนต้เป็นธรรมดาถ้าปฏิบัติแบบนี้ไม่ตรงนะไม่เคยเก็ดฟังเกลารันแน่มีคพบที่เป็นกับนี้เลยเ่เป็นกันไม่ได้เ็าไม่เอาจิต่อไปก็แป็นอันอธีตายานเป็นการอะี เต่การนอดีตแล้วอยากจะรู้ว่าคนนี้เดินอยู่เดียวเขาเป็นงไงเขาน้าจะตัวเราถ้าดูตัวเราในอดีตจะ้ผกไปในวาสารญ่ขนาดนี้ดูคนอเ่องทีตางตืานยานอดีตเขาดีเดินั่วถ้าอยากจะรู้ประวัติศาสตร์ที่ตรงนี้สมัยก่อนเป็นเมืองมองไหมมีใครมีคนต้องการมีกองทับมีบ้านเมืองเป็นไรอย่าิที่เไร ร่าหน้าตาคนยังไฐานะยังไงั้านเมืองก็ผูกไปแล้วมันรู้หมดมันเป็นของไม่ยากเลยง่ายๆก็ได้ของสิ่งด้วยแล้วคนทีสุดแล้วเ็อยาญยนทราบอดีตทราปกเหตผลที่พันดีเป็นสายอรหันต์อยากจรู้ว่าดีของท่องก็จทราบาอดีตของท่นก็ดีขอเราต้แสวง